เดี๋ยนี้นะคนที่ป่วยด้วยโรคความจําเสื่อมนี่นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในในเมืองใหญ่ๆนะแต่เดี๋ยวนี้ในชนบทนี่ก็เริ่มมีแล้วและโรคความจําเสื่อมที่มันรุนแรงก็คืออัลไซเมอร์นะเดี๋ยวนี้คนไทยก็รู้จักโรคนี้กันมากขึ้นเพราะว่าคนใกล้ตัวเช่นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็เป็นโรคนี้กัน พอเป็นแล้วนี่การดูแลรักษานี่นเป็นเรื่องยากมากก็ต้องอยู่กับเขาไปจนกว่าเขาจะหมดลมซึ่งก็ใช้เวลาหลายปีโรคนี้เนี่ยนะมันตัววันนี้ก็ยังไม่มีวิธีการรักษานะหรือแม้แต่ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าหากรู้ร่งหน้าได้นะ ถ้ารู้ได้ก่อนเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่าจะได้ช่วยชะลอให้ความเสื่อมของสมองหรือของจิตใจความจำเนี่ยมันช้าลงนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะของการแพทย์ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพอรู้ว่าใครเป็นโรคความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นี่ เรียกว่าอาการก็เป็นมากแล้วจึงทำอะไรไม่ค่อยได้แม้แต่ฉชัชะลอก็ทาได้นิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการค้นพบที่น่าสนใจนะซึ่งทำให้เขาทาให้หมอนะมีความเชื่อว่าหรือมีความมั่นใจว่าโอกาสที่จะรู้ล่วงหน้าก่อนที่อาการมันจะรุนแรงเนี่ยมันเป็นไปได้ เช่นเขาพบว่าเนี่ยคนวัยกลางคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเวลานอนเนี่ยเวลาหลับเนี่ยเกิดฝันร้ายถ้าฝันร้ายเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมีโอกาสมากเลยนะมีมากเป็นสีเท่าของคนทั่วไปที่จะมีปัญหาความเสื่อมในเรื่องการรับรู้หลมดจางความจำด้วยในอีก10ปี20ปีข้างหน้า มันพอจะบอกได้นะจากเวลาหลับเนี่ยว่าฝันร้ายหรือเปล่าเนี่ยาฝันร้ายฝันไม่ดีเนี่ยถ้าบ่อยนะเฉลี่ ย, ลยแล้วเนี่ยเดือนละสี่ครั้งเนี่ยหรือว่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคความจําเสื่อมในอีกส0 2ยี่สปีข้างหน้าเนี่ยเป็นสี่เท่าของคนที่ไม่มีปัญหานี้ยิง่งถ้าเป็นคนแก่ด้วยนะ ผู้สูงวัยเนี่ยอายุ 60-70 เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความมีปัญหาเรื่องการหลับนะเดยเฉพาะฝันไม่ดีเนี่ยบ่อยๆนะก็คือหมายความว่าเดือนนึงเนี่ยหลายครั้งเลยนะไม่ใช่แค่4ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมมากกคนทั่วไปเนี่ยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย ที่ว่ามากนี้คือเป็นสองเท่าเลยนะอันนี้เขาก็เป็นผลจากการศึกษาติดตามคนเนี่ยสองสพันคนเลยนะทั้งวัยกลางคนทั้งวัยชราจริงนะเขาก็สอบถามหลายอย่างแต่ว่าเขาก็พบว่าเนี่ยตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งที่แข็งแรงมากนะก็คือฝันลายเนี่ยนะ ซึ่งเขาก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนะไอ้การฝันร้ายเนี่ยมันจึงสัมพันธ์กับการเป็นโรคความจําเสื่อมในอีก10 20ปีข้างหน้าหรือว่าบางทีก็อาจจะไม่กี่ปีข้างหน้าก็มีข้อสันนิษฐานว่าพอหลับพอฝันร้ายเนี่ยนะมันทำให้ต้องตื่นกลางดึกแล้วก็นานมันทําให้การหลับเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่มันก็จะมีโปรโตีนตัวหนึ่งสะสม ไอ้โปรโตีน ต, ตัวนี้แหละนะที่ก็พบว่ามันเป็นตัวการสำคัญทำให้ความจำเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์เลยแล้วคราวนี้เนี่ยพอกระโดอันนี้แล้วเนี่ยมันก็พอมีความหวังว่าจะมีทางที่จะชะลอโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้โดยเฉพาะในคนที่เป็นวัยกลางคนเพราะว่า กว่าอาการมันจะแสดงออกเนี่ยหรือพู้ใดกว่าจะเป็นโรคเนี่ยมันก็สิบยปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็มีเวลานะมีเวลาที่จะชะลอมีเวลาที่จะเเยียวยาหรืออาจจะมีเวลาป้องกันเลยด้วยซ้ำนะํำอันนี้ก็เป็นเป็นความก้าวหน้าที่น่าสนใจนะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเพราะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยอย่างที่ว่านะ เป็นโรคความจำเสื่อมกันเยอะและส่วนใหญ่ก็มาเป็นอตอนแก่ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งรุ่นปู่ย่า ต, ตายายของเราส่วนนึ่งก็เพราะว่าสมัยโน้ตเนี่ยหรือสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีโอกาสจะแก่เนี่ยมันมีไม่มากนะส่วนใหญ่เนี่ยก็ตายไปก่อนนะตายเพราะอะไรนะ ตายเพราะเราติดเชื้อนะแต่ก่อนเนี่ยเป็นไอฮิวาเป็นบิดท้องร่วงไทฟอยด์คอตีบไอกรนนี่ก็ตายแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโรคพวกนี้นี่การแพทย์แผนใหม่บอกสบายมากแล้วก็สามารถที่จะป้องกันได้ทั้งด้วยวัคซีนยาหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างถูกสุข อ, อนามัยนะ ไวน้นเนี่ยคนที่ตายเพราะเราติดเชื้อเนี่ยมันก็เลยน้อยพอน้อยเนี่ยนะก็เลยทําให้มีอายุยืนมากขึ้นอันนี้ก็เราเป็นผลพวงของความเจริญความเจริญเนี่ยเราก็ทราบดีนะทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นหรือสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะมันก็มีเสียด้วย นะอย่างเช่นชีวิตที่สะดวกสบายเนี่ยนะมันก็ทำให้คนป่วยได้โรคเรียกว่าโรคที่รักษายากนะไม่ใช่โรคติดเชื้อแต่คือโรคแห่งความเสื่อมนะเช่นอะไรโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานไนะตาวายเนี่ยอันนี้ก็เป็น <c oughs> จะเรียกเป็นผลพวงนะของชีวิตที่ สะดวกสบายก็ได้เพราะสะดวกสบายก็แปลว่าไม่ต้องใช้แรงในการทำหมากินแต่ก่อนนี่ก็ต้องใช้แรงนะเพราะต้องทํานาทําไร่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์เครื่องทุนแรงและคนเราก็ไม่ต้องทําการผลิตนะบางทีก็แค่มีอาชีพบริการอยู่ในออฟฟิศทํางานนั่งโต๊ะไปไหนมาไหนก็มีรถขับนั่งรถเอานะ แล้วก็เนื่มซ้ำาแล้วก็ยังมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะซึ่งมันก็ทำให้คนเนี่ยนะมีโครคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเพราะว่าโรคสมัยใหม่เนี่ยมันก็เกิดจากสองอย่างนะใหญ่ๆคือรับรับมากไปกับใช้น้อยไปรับมากไปคือ รับเอาอาหารอุดมไปด้วยไขมันโปรตีนแคลอรี่เนี่ย an เข้าไปเต็มที่เลยวันหนึ่งเนี่ยบางทีรับเข้าไปนะ3 0 0พัี่แคลอรี่ซึ่งแต่ก่อนนี่แค่พัน0นี่ก็ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่ารับเข้าไปเยอะแถมเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีประโยชน์เพราะ ม, มีสารเคมีนะแต่มันน่า ก, กินไงอาหารที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ย เขเรียกว่าอาหารขยะนะแต่ว่ามันน่ากินนะคนก็กินเข้าไปมีตำซ้ำอย่างสูบบุหรี่กินเหล้าเขา้าไปแล้วก็ใช้ไปเนี่ยน้อยใช้พลังงานที่สะสมมาน้อยคือออกกำลังกายน้อยอันนี้เรียกว่ารับเข้ามามากแล้วก็ใช้ไปน้อยที่จริงเนี่ยไอ้โรคความจาเสื่อมเนี่ยซึ่งโยงกับการฝันลายเนี่ยนะ ก็เพราะว่ามันก็สัมพันธ์กับเรื่องที่พูดมาเมื่อกี้นี่นะก็คือว่าถ้าสุบรีเยอะกินเหล้ามากหรือว่ากินอาหารที่เป็นอาหารขยะแถมออกกำลังกายน้อยเนี่ยก็ทำให้การหลับเนี่ยไม่ดีนะฝันร้ายได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะดกสบายที่ความเจริญสมัยนี้มอบให้กับเรา แต่ก็อย่างที่ว่านะเราไม่ได้แค่มีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าเดิมเท่านั้นนะความเจริญก็ทําให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นแต่ว่าการที่มีอายุยืนยาวขึ้นนะก็ไม่ได้แปลว่าเราจ ะ, ะมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าพอยืนยาวขึ้นแต่ปรากฏว่าเป็นโรคอื่นแทนนะทำไ่ใช้มาเร็งโรคหัวใจก็โรคความจาเสื่อมโรคอัลไซเมอร์นะ มันเหมือนกับว่าได้อย่างเสียอย่างนะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะคนสมัยนี้เพราะเทคโนโลยีเพราะความเจริญแต่พอมีชีวิตยืนยาวขึ้นแล้วก็ไปเจอกับความเจ็บความป่วยที่รักษาได้ยากดังนั้นการที่คนเรามีอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ดีเสมอไปนะคนเนี่ยอยากจะปรารถนาจะมีชีวิตที่ยืนยาวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็พบว่าคนที่มีชีวิตยืนยาวเนี่ยนะ มันก็ต้องมาเจอกับโรคภัยแค่เจ็บอีกหลายชนิดนะซึ่งบางทีสร้างความทุกข์นะสร้างความทรมานมากกว่าโรคเดิมๆก็ได้ก็พวกเนี้ยสมัยนี้เนี่ยคนเรามีอายุยืนมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นก็จริงแต่ในเรายเดียวกันความตายก็ยืนยาวด้วยหมายความว่ากว่าจะตายนี่โอ้มันต้องทรมานมากในพ่อโรคเนี่ยนะมันรักษาย ห, หายขาดไม่ได้ ใช่โรคมะเร็งเนี่ยนะกว่าจะตายกว่าสิปีบางทีก็5ปีโรคหัวใจก็เหมือนกันโรคไตาวายก็เหมือนกันเบาหวานก็เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกับโรคติดเชื้อนะตายเป็นไม่กี่วันก็ตายแล้วแต่ว่าโรคสมัยใหม่เนี่ยยิ่งเอาสายเมื่อโดยแล้นี่กว่าจะตายนี่สิปี20ปีอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตยืนยาวก็จริงนะแต่ว่า มันก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตนี่ดีขึ้นเท่าไหร่เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่มีคนก็คำนวณ น, นะบอกว่าความเจริญทุกวันนี่ทำให้คนมีชีวิตยืนยาวขึ้นเนี่ยก็จริงนะแต่ว่าแต่ละปีที่มีชีวิตยืนยาวขึ้นเนี่ยนะแต่ละปีนะจะมีสุขภาพดีแค่10เดือนนะได้ชีวิตยืนยาวขึ้นมา12เดือนเนะี่ยแต่ว่า10เดือนเนี่ย เท่านั้นนะที่สุขภาพอีก2อเดือนนะคือป่วยนะชีวิตยืนยามากเท่าไหร่เนี่ยนะยืนยาว0ปีสมมตินนะก็แปลว่าต้องเจอความเจ็บป่วยเนี่ยเอา2คูณ20เข้าไปนะเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่คนเนี่ยต้องตระหนักนะว่าการมีชีวิตยืนยานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องดีเสมอไปนะแล้วก็ไปหวังพึ่งเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่า ถ้าเรามีธรรมะนะถึงแม้ว่ามันจะป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยแล้วก็ยิ่งถ้าเข้าใจธรรมะว่าร่างกายสังขารนี่มันก็ไอความเจ็บความป่วยเนี่ยหรือความสรา ก, ก็เป็นธรรมดายอมรับมันได้เนี่ยมันก็ไม่มีความคับแค้นคลำครวนนะก็อยู่กับร่างกายที่ป่วยนะด้วยใจที่ไม่ทุกข์ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เทคโนโลยีความเจริญเนี่ยมัน ช่วยเราไม่ได้นะแต่ว่าธรรมะช่วยเราได้